บุกทูสิบเก้าสคราติมติในห้องครัวซัมซารอลชิซัมซารอุโลชิลชคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ ช่นรลชอาชีพซัาามซรลอกสวันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะริซิมมริมมอมซากคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารเอเล็ทรภูมิลเดั เอลิคโทรฮูเมลเซอัมซาดิพทุกาเซ่ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะตาวจระชวีตาวจระชั่วี่ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะกัฟทัลกอารตพลีกัทลกอาโตพิลี ดิฉันควรจะล้างผักกาศหอมดีไหมคะกัฟริดสซาลาธากัฟริดสซาลาธาแก้วน้ำอยู่ที่ไหนซาดาริสชิเบซาดาริสจิเคบีจานชามอยู่ที่ไหนซาดาริสจูรเจลี สัริเจลช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนสตสัอริสตาชาลีาาาลคุณมีที่เปิดกระป่องไหมคะก้าอคซ์สกักนลกอคนเซรวิสกสัซักสกนเสกสสนลี คุณมีที่เปิดขวดไหมคะกั๊กส์บทลิสกาซักนีกกส์บทลิสกาัเนลี่คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะกั๊กส์ซาซอบิสกราชนีกก์ซาซอบิสกราชนีคุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ ซุปส์อัมควับชีอัมซาดบซุปส์อัมควับชีอัมซาดิบคุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะเทฟส์อัมตาพาเซตสวาเทฟส์อัมตาเซตสวาคุณกำลังย่างผักบนเตา ย, ย่างนี้ใช่ไหมคะบสตเนลส์อัมมาคัลเซตสวาว ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะมืส่สวปราสวชลีชลนี่คือมีด่้อมและช้อน อ, อนบชออนชังเลบิก นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก